พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่3โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่23มิถุนายน2556อบรมพระหลังสวดปาติโมกข์มีชื่อเรื่องว่าสุลาพาให้เมา วันนี้เป็นวันที่23สามิถุนายนพุทธศักราช2556หวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นส5ห้าค่ำเดือนเจดนับแต่วันนี้ไปอีกหนึ่งเดือนเป็นวันเข้าพรรษา แหลม1่คําของเดือน8อันนี้เป็นเดือนเ็เพนเขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็ให้เป็นการเตรียมพร้อมพร้อมที่จะเข้าพรรษาไม่ใช่ว่าเราพรรษาผ่านไปเขาผ่านไปเฉยเโดยที่เราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นการเตือน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 จะรับหนากพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็วันที่14ตรงกับวันอาทิตย์กรกฎาคมก็เป็นวันบวชพระนว ก, กะพร้อมกันแล้วก็วันที่23กรกฎาคมเป็นวันเข้าปรรษาปี2556แต่วันนี้เป็นวันอุโบสถ ที่พวกเราลงอุโบสถทบทวนสินและวินัยการที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาเมื่อท่านได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหเพนจากนั้นพระองค์ท่านก็ประกาศศาสนาจากนั้นพระสง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 แล้ก็มีสัมมเนนสัมมเนนสัมมเนรีสัมสมเนนรีก็คือบวชทางฝ่ายผู้หญิงศิกขมานากระบวชทางฝ่ายผู้หญิงคือเตรียมพร้อมที่จะบวชเป็นภิกษุณีสิกขมานาสัมมเนรีสัมมเนรีก็คือสัมมเนนที่จะเตรียมเป็นศิกขมานาและก็เป็นภิกษุณีแต่ฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยก็องไหานาพอที่ครบบวดอายุยีส ท่านก็ให้บวชเป็นพระถ้ายังไม่ครบ20ก็ให้เป็นสมณเณรไปก่อนแต่สำหรับฆรวาสญาติโยมก็มีหลายระดับก็เป็นฆรวาดบางคนก็ยังไม่ถึงนับถือเรื่อมใสใก็เป็นสามัญชน ท, ทั่วไปก่อนเพราะไม่เชื่อความไม่เชื่อ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 ก็เหมือนกันโยมอุบาสกก็เหมือนกันวายอุบาสิกาก็เหมือนกันใครเข้ามาอยู่ในกรอบกรอบของไครของเราตีกรอบไว้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ได้ปวดก็เป็นอุบาสกกุบาสิกายิดพดระไตรชรณคคมเป็นที่พึ่งจากนั้นก็มีศีลห้าและก็มีศีลอุโบสถ แล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาอันนี้คือกฎสําหรับกติกาสําหรับให้คณะสัตยาธิยมแต่สําหรับพระภิกษุภิกษุณีสมมณ น, นสมมณรีศิกขามานาผู้เข้ามาบวชอันนี้ก็วางกฎไว้อีกแต่ละแนวทางและแต่ละกลุ่มอีกเหมือนกันภิกษุณี ศีลมากกว่าเพื่อน300กว่าภิกษุ227สิมมาเนิสิและศิกขามานาสัมมาเอรี่ผมจำไม่ได้สอ ง, สองท่านแต่ก็คือเป็นลูกศิษย์ของฝ่ายภิกษุณีแต่ทำไมภิกษุณีจึงมีอาบัตจึงมีศีลมากกว่า ภิกษุแต่พวกเราจะถามภิกษุณีคำว่าศีลคำนี้นะคือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติทีเดียวไม่ใช่คือมีผู้กระทําผิดซะก่อนถ้ามีผู้กระทําผิดพระพุทธเจ้าก็บัญญัติวินยัยถ้ามไม่มียังไม่มียังไม่บัญญัติแต่ก็เป็นอันว่าภิกษุณี ทำผิดวินัยมากกว่ามากกว่าพระภิกษุเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมัญยัดศินให้ภิกษุณีมากกว่าภิกษุภิกษุศินในพระปฏิโมกอย่างพวกเราสวดจบลงสักครู่นี้อันนี้คือศินสองร้อี่สิบแต่ภิกษุณีศินสามร300แต่สินอภิสมาจาร์มากกว่า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 ผมจะยกตัวอย่างให้ให้เห็นเป็นแนวทางโดยเฉพาเป็นแนวเพื่อการศึกษาพระพุทธเจ้าบัญญัติวิไนท์ท่านยกตัวอย่างสิกขาบทหนึ่งสิกขาบทนี้คือพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้าปรินิพานพระพุทธเจ้าได้ประกาศภาษาศาสนาได้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 บาเพณของฤาษีฤาษีสมัยนะคะ่คือมีนักปวดนอกศาสนามีมากอย่างพระรู้เวลานาทีกษัตปะสามพี่น้องน่ที่กรุงราชาคือถ้าท่านไปตั้งอาสมอยู่ในริมแม่น้ำถ้าผู้ใดโกรธโมโหขึ้นมาคือให้ไปหิ้วทรายขึ้นมา มากองไว้ให้เป็นขึ้นไปกองทรายเอเกิดเกิดลาคะโทสะขึ้นมาก็าไปขนกองทรายขึ้นมาหลวงพ่อว่าเออกระถูกเป็นวิธีการสอนอีกแบบหนึง่งพออะไรเพราะมีเกิดอารมณ์โทสะขึ้นมาเนี่ยนะก็ไปตักทรายขึ้นมาเอามากองไว้มันกันสักสองสามเที่ยวจมนมันเหนื่อยแหกความโกรธมันก็นหายไปแล้ว นั่นก็คือวิธีการของท่านอุรุเวลานาทีกจัจปะ3ามพี่น้องคือวิธีหนึ่งที่ท่านสอนลูกศิษย์ของท่านแต่นี้นพอกองขึ้นมาเนี่ยกองสายมันก็ใหญ่เลยสิพระทั้ง5้ากับหนึ่งกับอาจารย์กลุ่มหนึ่งก่อนสกับหนึ่งกับอาจารย์กลุ่มหนึ่งอีก200้อย หนึ่งกับอาจารย์สรุปแล้วก็คือพันกับ3มรูปที่ว่าอุลุเวลานาทีกจัจปะขยากจัจปะอันนี้ก็คือเป็นลืสีก็มีดาดเดินมากในยุคสมัยนั้นแต่นีนพระพุทธองค์จะเสด็จไปในท่าน้ำก็เหมือนกับอาสมของอุลุเวลานนทีกจัจปะเนี่ยนะแต่ไม่ใช่กลุ่มของท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายก็เห็นว่า พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านไปจุดนั้นปี่น้องประชาชนทั้งชาวไร่ชาวนาทั้งคนอยู่ในระแวกนั้นโอ้พระพุทธองค์จะเสด็จไปในท่าน้ํานั้นเลยเพราะมีพญานาคดุร้ายมากเคยฆ่าคนเคยทำร้ายทาลายคนมามากต่อมากแล้วขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปตรงนั้นเลยใ ค, ใครเห็นเขากร า, าบทูลพระพุทธเจ้า เป็นระยะระยะแต่พระพุทธองค์ก็ทำเฉยเหมือนกับหูท ว, วนลมไม่ได้ยินอย่างนั้นแหล ะ, ะท่านก็เสด็จไปเรื่อยพอไปถึงอีกอเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนนท่านก็เสด็จประทับท่นนี้มีพระลูกศิษย์องค์หนึ่งชื่อภาษาคตาภาษาคาตาในเป็นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระหรันแต่เป็นผู้ ได้โลกีโลกิยชาตคล้ายๆกับเพ่งเตโชวาโยได้แต่กิเลสราคะโทสะโมหนะยังไม่หมดแต่เป็นผู้ชำนาญในการใช้ชาญแต่นี้เมื่อพระพุทธองค์เฉดต์ประทับอยู่ในกลุ่มหนึ่งท่านสากตะในกน็ไปคงจะไปคิดลองวิ ช, ชาตัวเองก็มั้ง ท่านก็ไปก็ไปหาภูรืศีภูริศีก็จัดที่ให้พักท่านก็ปูอาสนะปูอาสนะเสร็จแล้วท่านก็ขึ้นนั่งนั่งอาสนะของท่านนั่งขัดสมาธิทากายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าท่านก็นั่งภาวนาแต่พญานาคที่อยู่กองทรายนี่อยู่ในบริเวณนีเห็นพระสากตะขึ้นมา ขวางตาเหมือนกันพญานาคน่ะคล้ายคล้ อ, อ, อยเห็นแล้วมันคล้ายคล้ายกับเหมืขอนกับอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ในลักษณะแนวเดียวกันฮมันขวางกันยากนา ก, กว่านากมีฤทธิ์กว่าพระธรรมนักคงนี้มันคงจะมาแย่งสถานที่เราก็มังไ น, นี่แหละหนาก็คิดแล้วเพ่งเพชรออกมานะ พ่นพิษเหมือนกับงูเหมือนกับงูเห่าพ่นพิษอย่างั้นนะงูจงอางพ่นพิษอย่างนั้นนะภาษาคาตานี่นนะนท่านก็มีอิทธิฤทธิ์ท่านก็จ้องอยู่แล้วนะท่านก็พ่นพิษของท่านอีกกบพิษพญานาคอีกพญานาคหมดตทิ์เนี่ยต่อมาเพ่งไฟออกมานภะาษาคตานี่ก็ใช้โลกียะเพ่งไฟเข้าไปประกบหนกนะักจนานาคตอนนั้นยอมสาบภาพ ภาษากตากลยสอนนาักให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเชยให้ยดพระไตรยสารณคมและใครมีศีลห้าอีกต่างหากอยากนากท่า น, น, นก็ยอมรับอยอมรับไปว่าภาษากตานี่ก็ปราบนาคได้ราบคาบได้ลุกจิตนาคอีกต่างหากนีจากนั้นพระพกุมธมกุฏจากนั้นสาตาเลยไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรเปล่าเออก็ดีจะนั่งกัเดินพร้อมเดินทางพร้อมกับพระสงฆ์ไปเมืองโกสัมพีพอไปถึงเมืองโกสัมพีศรัทธาญาติโยมเขารู้กิติศัพเพนะเพราะมัอยู่ในละแวกนั้นแอบประวอบมีพระลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสมณะโอมองค์หนึ่งปราบพยานาคอยู่มัดองค์จะลักษณะอย่างนั้นเขาทั้งหลายเดื่อมใสนับถือองค์ไหน เขาก็บอกเนี่ยภาษากตะนี่แหละนะแต่นี้ก็ภาษากตะไปบินทบาทเขาก็ถามว่าเพราะผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรอยากจะให้ผมถวายมีอะไรไหมที่จะให้ผมช่วย ถ, ถวายมีไหมผมขอประวรลนาะแต่นี้พวกพระสัพพวคีเนี่ยนะพวกหกสัพพวัคคีพวกหกนี่ยอพวกนี้ออกนอกลูนอ ก, ก, นอ ก, นอกทางอยู่แล้วท่นนี่ไม่ว่าทำซิกขาบท ในในพวินัยของพระพุทธเจา้าหนมากที่สุดเลยผกสัพพวคีเนี่ยฉลาดเนี่แต่พระพุทธเจ้าบัญญัติที่ขบวนเนี่ยยุทธไม่ทําแต่ไปทําอัอื่นอีกพอพระพุทธเจ้าบัญญัติตอนายุทธไม่ทําไปทําอันอื่นอีกแปลว่าเป็นผู้ก่อกวนเนี่ยท่านนี้เนี่ยพระสัพพวคีนี่แหละอบอกให้คณะสัตา ย, ยาญาติโยมเขาเถิดเญาติโยมนี่แหละพระผู้เป็นเจ้าสากตะเนี่ย ท่านไปต้องการอะไรหรอต้องการสุราที่น้ำใสสีแดงเหมือนเท้านกพิราบนั่นแหละเป็นที่ต้องการเอามาเลยฮะพวกญาติโยมทั้งหลายเขาก็โอ้คุณเจ้าต้องการสุราเลยก็กสันมหามาให้ถวายจากนั้นภาษาคตาก่อนไปบิดธบาทพอปินธบาตบ้านนั่นเขาก็ถวายฮะสาคาตาก่อน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 ตอนนีพระพุทธเจ้าจะเด็ดเข้าไปในเมืองปิพินาบาทในกรุงโกสัมพีพอกลับมามาเห็นภาษาคตะนอนสองแปดสองสดึงหมดสติเพราะเมาสุราอย่างมากพระที่เป็นนายหน้านะครับคงจะหลบหลบหลีกหลีกหนีหนีไปแหละท่านพระองค์ก็ถามว่าเป็นไงพระสงฆ์ทั้งหลายก็บอกว่าภาษาคตะเมาเล่าเมาสุรา แต่นั้นเขาก็ได้เอาผ้ามาคลองให้เสร็จแล้วก็เอามัน เ, เอามาหันศีรษะมาทางพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ยืนอยู่พระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมภาษาคาตะเมาสุราพระเจ้าข่าแต่ก่อนภาษาคาตะนี่สู้กับพญานาคชนะพญานาคใช่ไหมใช่พระเจ้าค่าชนะสนะมายกนี่แหละมาจัทไทยาจรวมก็เห็นว่าเป็นผู้เก่งเขาก็เลยถวายสุรา แต่ขณะนี้เนี่ยสากตะเนี่ยนอนอยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอาไปสู้กับงูเออเอาไปสู้กับงูเลือนน่คืองูเขียวตุกแกอย่างนั้นอ่ะจะสู้งูเขียวตุกแกได้ไหมลักษณะอย่างนั้ น, น่ะพระสงฆ์ไม่ได้พระเจ้าข่าไปสู้ก็อะไรไปสู้ไม่ได้ลแลตอนนี้หมดสติหมดแล้วไปฮะให้พวกท่านทั้งหลายเอาไปเอาไปออกไปนอกไปสานัก พอไปถึงสำนักพระองค์ก็นี่ยแหละไปบอกกับภิกษูทั้งหลายดูก่อนพิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายดื่มธุราอย่างนี้ขาดสติอย่างนี้แล้วน่ยมันไม่ดีการดื่มธุราขาดสติไม่เป็นผลดีสําหรับสมณะนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพิกษูใดก็ตาม อยู่นสถานที่ใดข้อตามดื่มสุราและเมลยัยต้องปาจิตติอันนี้พนะระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยแล้วนะทีนะี้คือสิน227ที่สวดจบลงสักครู่นี้ น, ะนี่แหละมีสิกขาบทหนึ่งสุราเมระยะปาเนปาจิตติยังอังกุฏิปโตราเกปาจิตติยังอุทะเกหันสะทเมปาจิตติอย่างอนานดะริเยปาจิติย อ, ต ย, อนนย่ายงอันนี้คือพระปฏิโมก ที่พวกเราจบลงสักครู่นี่สุราเมระยะมชปะปมาการดื่มสุราและเมลัยมันเมาพอพระพุทองค์ตัดบัญญัติวินัยเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปประทับที่ประทับพระสงฆ์ก็เลยบอกว่าเอ้การดื่มสุรามันมันเสียหายจริงๆเห็นไหมภาษากระต่ายตะก่อนก็ เป็นผู้ที่นับถือเรื่มสายของคนแต่นม่มานไม่ทั้งไม่รู้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ถ้าว่าภาษากระาตายังมีสติอยู่เนี่ยถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามาแนละ้วจะเป็นนอนได้ยังไงนอนอย่างนี้อจะต้องลุกแสดงถวายอภิวาสต์แสดงความเคารพแต่ในภาษากระต่ายเนี่เฉยเอ่มันคนเมานะ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 ทั้งที่เคยได้ชาญโลกีมาแล้วพอดื่มเข้าไปกันนี่แหละเสียหายพระสงฆ์เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าขา่ะหรือสีดื่มสุราพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในกรุงพาลานสีคล้ายว่าเห็นโทษในคารวาด อออกบวยากออกบวชคือหนีหนีจากครวติถ้าอยู่ต่อไปก็มีแตะแก่เจ็บตายควรจะออกไปอยู่ในป่าให้ท่าเป็นผู้เป็นพราหมณ์ปรหิตตายานเป็นพราหมณ์ใหญ่เป็นพา ร, รหาหมณ์เป็นพารหนพาหมณ์ที่ปกครองแล้วเป็นพาราหมณ์ที่มีอำนาจวาสนาท่านก็เลยหนีออกไปอยู่ในป่าไปตั้งอาสมอยู่ในป่าห่างไกลาจากตัวเมือง จากนั้นบริวารได้ทราบข่าวก็ไปบวชกับท่านบริวารทั้งลือศีทั้งห้ารอท่านไปอยู่กับท่านพออยู่ในท่านเสร็จแล้วก็พวกลือศีเนี่นว่าออพวกผมอยากจะไปทานอาหารอยากไปฉันของเค็มเผ็ดไปฉันเกลือพวกขาดเกลือกับผมออพวกผมจะเข้าไปในเมืองอาจารย์ที่เป็นลือศีเออออกไปกับไปได้นะสํารวมระวังนะ พวกท่านทั้งหลายไปด้วยความสํารวมระวังนะครับผมจาติเลือดสีก็เลยไปแบ่งกันอยู่แบ่งกันไปนะพูดง่ายๆพอเข้าไปอยู่ในเมืองก็อยู่ในช่วงระยะหนึ่งช่วงที่เข้าพรรษาจะกลับออกมาก็กลับยากเพราะมันเป็นมีน้ำนํำป่าเดินทางลําบา ก, กเลยอยู่อยู่ในเมือง กรุงพาราณสีอยู่ในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพผ่นดินก็เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสลือศีเหล่านั้นอีกลือศีมันก็คงจะหลายร้อยคนอยู่หลายร้อยหลายร้อ ย, ย, ยลือศีอยู่ในอุทยานจากนั้นก็เป็นช่วงนักกษัตริย์ก็คือเดือนสิบสอเพนเนี่ยนะทีนี้เขาก็มีการเล่นกันในกรุงพาราณสีมีการสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากันเหมือนกับปีงานปีใหม่นะนั่น พระเจ้าแผ่นดินก็ไม่รู้จะถวายอะไรกับพลาศีก็ถวายน้ำนี่แหละถวายสุราเนี่ยมอบให้กับทุตแท้แต่ใครจะกินยังไงฮกินแล้วไหม่กินก็ได้แต่ชาวบ้านชาวเมืองเขากินกันผพรามันยังไม่มีวินยัยยังไม่มีสิท์อะไรก็ผลาศีเหล่านี้ก็เห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินมาเอาให้มากับมอบมอบให้ถวายมาเลย ต่างคนกับต่างกินกันแหละหรือสีกินเหล้าไถึงท่านจะมีชาญโล ก, กีก็เถอะนะนกับชานกับมาเหล้ามันคนละอย่างกันแน่สิมันเหล้ามันไปกดสมองนะแต่ชานมาอยู่ในใจชานอยู่ในจิตใจของลือนะีแต่สุราเนะี่ยมันไปกดสมองของรือสนะีพอกินเข้าไปท่านน่ะนะลือสีทั้งหลายร้อยคนฮ่า เคยใครไม่เคยออกลายก็ออกลายเนี่ยร้องลัมทาเพลงในเรื่องเก่าๆที่ได้เรียนได้ศึกษามาเนี่ยโอ้โหสนุกสนานเลยทีนี้ไอ้พวกที่ล้มลุกคุกคานก็ล้มลุกคุกคานร้องห h o ร้องไห้ก็มีผมไม่เคยเมาฮะสนุกสนานไงพอเสร็จแล้วพอสลังหายเมาแล้วทีโอตายตตายตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายพวกเราทําไมทําอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องของสัมมณะ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 ตอกน้ำมันเสื่อมนะ อ, อมันหมดสมาธิมันเสื่อมจากนั้นได้ชาญชะมาบัตจากนั้นท่านฤาษีเหล่านั้นก็ตายจากชาตนท่านไปสู่พรมโลกทั้งหมดบริวารของฤาษีนั้นได้มาเกิดเป็นภิกษุเป็นลูกศิษย์ของเรานะแต่ส่วนหัวหน้าฤาษีนั้นคือเราตถาคตนีแ่แหละและก็ชานบกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการจะดื่ม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 มันใส่อะไรมาเขาไม่รู้กินเข้าไปแล้วก็พระเมาเพอเพอทะเลาะกันอีกกําลังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องพระยาดองเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะทุกองนะที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยให้สังเกตให้ดูตัวเองเพอเราบวชมาเราไม่ได้บวชมาเล่นๆมันได้บวชมาเพื่อการสนุกสนานบวชมาเพื่อบําเพ็ญหามรคหาผลเข้าสู่จิตใจของพวกเรา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 เออได้ทุกเวล่อมเวลาเพราะเหตุไรความชั่วไม่เคยคุ้นเชื่องกับเราเพราะนั่นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพระเนนน้องหนุ่งเราทั้งหลายอย่าไปคุ้นเชื่องกับสิ่งความชั่วเสียหายให้ระมัดระวังอย่างที่ลุงพ่อได้พูดนะ ย, ยุคนี้สมัยนี้กําลังมีเรื่องอยาดองลุงพ่อเคยได้ยินพอกินเข้าไปแล้วเมาเออยังชอบใจอีกอยากจะกินอีก อันนั้นล่ะสุราเมระยะสุราคือเครื่องดองของเมาเมรยะคือเมลัยคือเครื่องดองหรือสุราเมระยะสุราคือของดองเมลัยก็คือพวกของหมักอย่างน้ำผลไม้หมักเป็นเมลัยเป็นเบียสรุปแล้วเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็เมาเหมือนกันดื่มมาก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 ต้องปาจิตติเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะพูดให้ฟังเขาเนี่ยคลๆก็ว่าความเป็นมาของอุวิในที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นบัญญัติอย่างไรเนี่ย น, นี่แหละเป็นสิกขาบทหนึ่งแล้ที่เอานํามาสวดที่นั่นแหะที่พวกเราสวดลงจบลงสักครู่นี้ก็คือสิกขาบทหนึ่งนะสุราเมระยะมาฉับประมาปาจิตติย่างนะสุราปราวค่ะสิกขาบท ดังนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเรื่องศีลและวินัยควรจะดสำรวมระวังให้ดีเพราะใ น, นวันนี้ขณะนี้เป็นการสวดพระปฏิโมกเราควรจะปลารกเรื่องวินัยให้กับพวกเราท่านทางหลายได้ฟังได้ศึกษาเอาตอนนี้ไปสวดท้ายพระปฏิโมกนะัีนเอนะ